Book 2ส <Four. S 3> <Four. S 2> ที่โรงเรียน <S På <sk> s k o l น n เราอยู่ที่ไหนวูดอาร์เราอยู่ที่โรงเรียน Vi är på s k o l ู n เรากำลังเรียนหนังสือนั่นคือนักเรียนนั่นคือคุณครูนั่นคือชั้นเรียน det är ือนั่นคือเรนนันคือคุณครู d ั t är ือ r ั r e n รนั่นคือชั้นเรียน det är klassen ู่เรายำลังทำอะไรอยู่ เรากำลังเรียนหนังสือเรากรียนาษาเรเรียนภาษาเราเรียนภาษาอังกฤษฉันเรียนภาษาอังกฤษฉันเรียนภาษาอเรียนภาษา เขาเรียนภาษาเยอรมันฮัมเรียนภาษาเราเรียนภาษาฝรั่งเศสพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนพวกเขาเรียนภาษารัสเซียเรียนภาษารัสเซีย การเรียนภาษานั้นน่าสนใจเราเราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆวีอิร์โอเราอยากจะพูดกับคนอื่นๆอันนาคเกอ folk